ท, ท่านเดินหั <c ười> นเสียงแต่ไม่จนใจนะ <c ười> มีอะไรเยอะแยะที่อยากจะพูดด้วยเราต้องสแสดงสแสดงทางกายทางว่าจาทางใจให้เป็นความดีออกมาจากกายจากวาา่าจาจากใจวัด น, นี้เข้ามาอยู่วัดนอนที่วัด แสดงทางกายผ้า ก, กายออกมาแล้วไดรับกายยบิเวกแล้วแสดงทางกายได้แล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่กายได้รับความวิเวกแล้วถูกต้องแล้วเรื่องกายทําถูกต้องแล้วต่อไปต้องเรื่องใจ ไปเร่ยออกมาเหมือนกายด้วยหรืว่าอยู่ในนี่ที่กายใจมันอยู่ในบ้านผิมันออกมาผู้มีลูกก็ชิดแบบคนมีลูกคนมีหลานก็ชิดแบบผู้มีหลานคนมีสามีพัญญาก็ชิดแบบคนมีพัญญาสามีก็มีบัวมีควายมีอะไรก็ชิดแบบคนมีเช่นนั้น คนจนก็คิดแบบคนจนคนรวยก็คิดแบบคนรวยก็มีความทุกข์ก็คิดแบบคนมีความทุกขแบบ์คนมีความสุขก็คิดแบบคนมีความสุขมีแต่ความคิดทั้งนั้นอาจ า, ก, า, าจ ก, ก็พาดมโนมาห้ามอยู่กับกายโดยอาศัยกรรมฐานอดีตการณรับควเวกช่วยให้จิตใจได้รับความเวกช่วยจิตช่วยใจบ้าง เมื่อมันเล่นไว้กลับให้กลับมามาอยู่นี่มาคู่แขนเข้ามาเหยียวเขีนออกให้รู้สึกตัวอยู่นี่ที่ว่าช่วยจิดอย่าให้มันไปลับกำรับเว้นมากเกินไปให้มันคิดเลยมากเกินไปให้มันพักผ่อนและรับไิเวททางจิตวิญญาณสักหน่อยช่วยาจิด หน้าสงสารจิตคิดอะไรก็คิดทังนั้นมีจิตก็ใช่ให้คิดบางที่ไม่ได้ใช่มันคิดมันคิดกันมาเองสมสารเป็นหมวดรุ่นวอยเประวดการของจิตวิญญาณหนักมากกลางคืนเป็นขวักัาวันเป็นเปลวกลางคืนก็ว่าฝันกางมันก็ว่าคิด งานของจิตหนักจนที่สุดก็ไม่เห็นจิตเดิมแท้และได้จิตที่ปุงปุงแต่งแต ง, ตงสุขบ้างทุกบ้างพอใจไม่พอใจบ้างไม่จิตปุงุงแต่งไม่ใช่จิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ไม่มีอะไรบริสุทธ พระพระเจ้าตรัสว่าปพัพชานี่ตังพิกเวจิตตังตัญจโข อ, อคันตุกย์ิอุปจิเลสีเพราะแปว่าภาษาบาลีมันสมใจจิตของเรานี่กับพัดสอนผ่องใสยอยู่เสมอแต่เดิมแต่อุปจิเลสบันจรมาทำให้จิตผมองนั้นปเปื่เพื่อนทางความคิดทวานของเกศคือบันคิดมันเลยปเปื่เพื่อน ร้อยผลิดไปได้คิดอะไรมากใช่เลยมันมากก็เป็นไปนเรื่องดยๆดีๆก็เป็นคนไม่ดีได้จึงภาคมันออกมาให้อยู่ด้วยก่อนกายอยู่ไหนใหญ่จะดูที่นอนวันหนึ่งขึ้นหนึ่งอุจจาระหัดผ้าออกมาโดยอาศัยกรรมฐานเป็นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงได้ช่วยหั ด, ดจิตใจเอากายเป็นที่ตั้งแล็นนิมิตเป็นที่เกาะไวเมื่อมันเล่นไปก็เอานิมิตนี่จับมาดึงขึ้นมามาลู้ที่นี้ให้ความหลงเป็นความรู้อะไรที่มันเกิดกับกายกับกายให้เป็นความรู้ทั้งหมด ตัวลู้เท่าลู่ทันมันหลงข้างหนึ่งกับลู้ข้างหนึ่งมันพอใจข้างใดก็ให้ลู่สึกตัวข้างนั้นแต่พากคิดออกมาให้มาลู้ให้มาลาู้บ้านของคิตคือปกติบ้านของกิตใจคือปกติถ้าใจมีบ้านมันก็ปลอดภยัยเหมือนกับกายมีบ้านกายก็ปลอดภยัย ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนลมพัดมาก็ไม่ถูกดูที่อาศัยของกายได้เมื่อกายมีบ้านก็หลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีโครคภัยไข้เจ็บาใจนี่มีบ้านจ้ะบ้านของจิตใจคือปกติให้อยู่ในความปกติให้ได้เรียกว่าสร้างบ้านให้งใจอยู่ ความปกติของบ้านรของใจนี่ถ้าอยู่ในความปกติจะอยู่เหนือความแก่ความเก็บความตายได้แต่นี่เราไม่มีบ้านเป็นคนนำพับเป็นคนพัดถิ่นอยู่เรื่อยชีวิตพัดถิน่นเราไม่มีบ้านคือใจไม่ปกติรุวมร้อยค่วดีผูู้้แปดแฝดมีใจก็เพิ่งใจไม่ได้ก็อยากคิดมนะันก็คิด ไม่ว่านใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นจยงไรแม้ว่าคนอาภาพทางจิตวิญญาณจิตใจไม่มีบารได้ยินว่าหนึ่ไม่เชียงว่านี่งก็เป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้แล้วมันหัดได้กายของเราก็ขัดได้อย่างที่เราสวดพระสูตรอริยมรรคเบิกนั่น ต้อนจิตทำได้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เกิดก็เกิดผลไดยในชีวิตนี้แต่ไม่หัดก็ไม่เกิดมมกเกิดผลเลยไกลไปเล้วเราจึงหัดมันให้มันมีที่พึ่งพึ่งได้พึ่งความดีที่หัดไว้เหมือนไหลที่หัดแล้วก็พึ่งมันใช้งานได้ คนหนัดช้างก็ใช่ช้างได้คนหนัดหมาก็ใช่บ้าได้คนอัดวัวขัดควายก็ใช่วัวใช่ควายได้แล้วท้งเด่มนเป็นสัตว์น้องตาไปดูความจลิยธรมสมุดรปลรอการเนื้อเด่นช้างตัวหนึ่งเขาเรียกชื่อว่าเด่นเวลาลองตาเดินเข้าไปเจ้าของช่าว่าเด่นเดนไอเด่น นี่หลวงตามาเยี่ยมเราแล้ ว, ลวมานี่มานี่วิ่งาวิ่งมาหาจะทําไงท่านรับหลวงตาไอเดินก็ยกขาสองขา ข, ข, าขาึ้นกราบสาธุกราบสองครั้งสาธุครั้งที่สามาาวุวม่นวายอ่าง like น <laughs> ี่ไอเดินค่ อ, อยกันไปเบากันไปหลวงตาไม่เยินดอกหลวงตาหูหนัก วังแรงกว่านี้กราบลงอีกอู้อู้ฮ่า <c oughs> ยอมันฝึ ก, ดนนะกดได้นะมันฝึกได้ไมว่าอะไรขวากว่าฝึกษษษษษษษใส่ค่าใสไแตบอกไปทางซ้ายก็ซ้ายบอกไปหลังหัวก็ขวาก็บอกไนตรงไปตรงไปตรงไปไปก็ตรงไปตรงไ ป, บ อ, งไ ป, งไปบอกให้หยุดก็หยุดบอกให้ไปก็ไป นี่สัตว์มันฝึกได้แล้วมันใช้งานได้คนเราแท้ๆต้องฝึกตนสอนตนมีนางภิกษุณีตนหนึ่งอยู่เขาชี้จักูดประเทศอินเดียในทางทิศใต้ของเขาที่กูดมีแม่น้ําไหลมาภิกษุณีอยู่บนเขาชี้กูดที่คันตะกุดีของพระเจ้าต่ำลงไปใกล้ๆถ้าอะไร อ่ตก้นหาดาเลย น, น้ำพิจิตในตอนนั้นเห็นคนช่างเอาช่างกราบน้ำบอกช่างลงไปเจ้าของก็นั่งอยู่บนฝั่งช่างก็ลงไปบอกให้ช่างอ้นทั้งหลังก็สูบน้ำขึ้นมาสูดทุ่งลงสูดทุงล ง, งเอาข้างซ้ายสุดซ้าย ล่างเกหรล่างท้องก็สูงมาท่านก็ตัล่างยืนอยู่มันนะ่ะฝองสูงหน้ามาล่างเจ้าของเห็นว่าสะอาาลงไปลองใช้ก็บอกงมุดลงท่านก็มูดลงอยู่โผล่ขึ้นมามุดอีก็มูดลงไปขึ้นมาเจ้านจ้างก็บอกขึ้นมาขึ้นมา ขนมาบอกให้เปนนวดมีต้นไม้ไหมนวดข้างข่าทข้าซ้ายเอาใช้าวโอ้โหนวดท่งางัวยังทัวงใช้นวดท้องก็ท้องเองจะเองนในวดหลังเอ็หลังเ ช, ช้นวดโอ้ทฤษฎีเห็นโอ้ช่างเขายังฝึกได้เนอเราแท้ๆเป็นิกษุฎีทําไมฝึกไม่ได้มีความภาพเปลี่ยนโทษไปโทษโทษก่อยเป็นพระธานเลยเลยเอาช่างเป็นแบบจย่าง เนี่ยคนเราแท้ๆ่าปล่อยขายปล่อยใจกันไปรู้จักจุดจักเก้นจกักปลอยจักวางบางว่าจะได้อาศัยมันพาไปสวรรค์นิพพานถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นมิทีิอาศัยได้เลยว่าจิตใจเราอยู่ที่ไหนเพราะนั่นจึงจำเป็นต้องหัดกัน ฝึกตนสอนตนไม่วัดวาอารามไม่พระสงฆ์มีแม่ชีมีพระทำคำสอนหมดเริ่มใหญ่อมวาล น, นี่ที่เริ่มใหญ่ที่นี่หนังสือเยอะแยะกว่าวัดใดๆทั้งสิ้นเยอะแยะเลยมีหนังสือดีๆอาจารย์เป็นผู้มีปัญญามากนี่เรามี ช่างเปือกต้องเกิดในดงอย่างนี้ยมเอ้ยแงินบออาจารย์ไปสอนเกิดในดงในป่าแต่เป็นช่างเปือกนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกจะได้ที่ไหนละ่ะบ้านตาเด้นทองวัดป่ามาวันให้ช่วยโอกาสกันอย่ารออย่านานเกินไปกระตือรร้นบ้าง ออกจากวัดเราไปอยู่วันสุกตนสอนตนนะอย่าปล่อยตัวเงทิ้งเกินไปแล้วรวมบ้างระงับบ้างหยุดบ้างเกินบ้างภ้ากายบ้ า, า, กออกากงกายวิเวกภ้ากิดบ้างกิดเมื่อรับวิเวกเมื่อกายวิเวกกิดวิเวกสองอังนก็ปฏิวิเวกเกิดขึ้นทำลายข้าสึกฤทธิ์หมดปลไย กลเป็นอิจลาไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยในโลกนี้เห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วจึงไม่เป็นอะไรกับอะไรจิตบริสุทธิ์ปวดฟองสมงุเนี่ยมันพึกได้คนเราเนี่นเป็นสัตว์ประเสริฐคือพึ่งหัดแต็มหัดก็ขี้เหล็กว่าสัตว์ขี้เหล็กกว่าไก่ไก่ยังมีปีกมีขนนอน กอนม้อยตากขนดับปลาไม่เคยจินยาแช้ปวดเป็นคนนะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าไม่เคยเเรพรืชผักเป็นปสัตว์เกษต่อันนี้เวลาเรามันไม่รอค อ, อยเราเ7สิบเปีแล้วแต่ว่าพือขัดตั้งแต่ยสิามิปีจริงเก่งน่แล้วก็ใต้ทุนขึ้นมาบ้าง พอจะมีค่าบางคุ้มค่าน้ำนมแม่บ้างพ่อเนี่ยเลี้ยงมาบ้างนะยกมือไหวตัวเองได้บ้างบางอย่างนะแต่ยังไม่ทอดถอยยังฝึก อ, อยู่ว่าจุนี่ฝึกสติกันได้มากเลยผู้แขนเข้ารู้สึกเหยือดอันหน้าให้ชีอวดทำกติให้อันหน้าไปทางฟูโจโก โอ้วิวดีกลางคืนกลางวันฝึกห น, นักอยู่ฝกตนสอนตนมันสนุกดีไห้เปลี่ยนความบอกไปความรู้เนี่ยวูา้ยมันลึกซึ้งมากยอยากให้มันทุกข์ให้เห็นจะได้เพี้ยนทุกข์ให้มันสมน้ําหน้ามันจะไม่ให้มันทุกข <laughs> ์นี่ไปโอรธไปทุกข์อหางกันไม่อายหน้าบูดหน้าเบิ่งใส่กัน ดีไม่ดีไปโคสนามไม่รู้จากกูเลยเนี่ยกูได้โกรธล้วเป็นุ่นี่ถ้ากูได้โกรธไม่เหมือนคนนี่นะดีเยโยมเอ้ยไม่รู้จักรายแต่ความโกรธีโลกตีโตอาได่ากันได้ไปอายคนนะเพราะฉะนั้นเมันดีตรงหนอยความโกรธความทุกข์เนี่ยทไมถนอมมาเหลือเกินถ้ากูได้โกรธจยไม่ลืมนะถนอมความโกรธมาความโกรธ เรื่องลูกเติมผัวเรืมพี่เรื่มน้องทำตามความโกรธนะทำตามความรักเล่นก่องข้าวน้อยข้าแม่ทําตามความโกรธแม่ออเอาข้ามาส่งของ น, น้อยน้อยนึกว่ากินเข้าวมาอิ่มด่าแม่โกรธใ้แม่แม่ว่ากินเธอลูกอิ่มอยู่อิ่มอยู่หมอบบอไม่อิ่มไม่อิ่มสุที่สุด ยอยอแรงอแอกน้อยไถ่แม่ตายเลยก็จนเข้าเข้าก็ไม่หมดฝังโกรธหายไปเสียใจแม่เครื่ก็ไม่ได้แล้วผมงโกรธต้องไม่เสียแม่เสียทุกอย่างศูนย์เสียแม่ทั้งตัวเองรสมรักเช่นเดียวกันนางโมลาลักโจนผู้ลาย ทั้งจันทกุลบเป็นคนดีโจนมาปุ่นกลางทางจันทกุลบสู้จนได้ชัยชนะสมุนของโจรหลายคนเหนือแต่หัวหน้าโจรสู้กับหัวหน้าโจรจันทกุลบหน่อสู้ได้เอาหัวหน้าโจรล้มลงไปกดดาบกับเมียนางโกลาเมียเห็นโจรสวยกว่าจันทกุลบสูงเขา คิดโชคโจรทันดีเลยยื่นดาบให้โจรจะได้แต่งงานกับโจรให้โจรฆ่าจันทโรภสามีของตนสาะในที่สุดโจรได้ดาบบุกฆ่าจันทโรภตายโมราเสนอตัวเป็นนางเมียโจรโจรบอกว่าโอ้ยไอ้ชาติชั่วหัวมึงก็ยังฆ่าปูอมึงไม่ได้หรอกให้มองตายอยู่นี่เหรอกูที่สุดนางโมราตายเป็นนางเช่นนี้อยู่บดปูหลง หง <laughing> <laughs> <laughs> ั น, นโอ้โอโอ้โอ้โอ้ อ, อ, อ, อ้โ อ, อ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ท อ, อ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอมโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โออ้โอ้อ้โอ้ออ้ออ้โอออออ้โอ้อ้โอ้โอ้โออ้โอ้อออ้โอออ้โอ้อ้โอออออ สอนตอกปังให้มีสติรู้สึกตัวเนี่ยประเด็นนี้นะวันหนึ่งขึนหนึ่งไม่ใช่น้อยนะโบราณท่านละชั่วช่างสวัสดิ์หูชงเดบีนนะะวันนี้ก็หมดแดงแล้วนะสมควนเจอเวลานะ